แต่นี้ไปจะเริ่มมาคบายธรรมะกืบวกนัปฏิบัติตางธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติมาด้วยครูบาอจารยของเรานี่ปฏิบัติท่านเคยปฏิบัติมาครบาอาจา ลูกสาวว่าต่างๆมันคยจะเหมือนกันเป็นอย่างบางคันบองค์เป็นอย่างาการอยู่การอาใสรลูปสะานที่ที่ก่านรู้ทำก็ไม่เหมือนกันบางคันอยู่แห่งบางองอยู่แห่ง<ม>เรื่นั้นเรื่องทั่วไปของท่าน ไมเหมือนกันแปลกันแต่ที่ว่าทางบริสุทธิ์ของใจเหมือนกันท่านเพ่จะตัามรู้อยู่ปรารที่ใดทางบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดเรื่องของขันจึงหน้าบูชานากราบบานส่วนพวกเราทั้งหลายจึงเรียกว่านักปฏิบัติทุกวันนี้ ปฏิปทาของเราที่จะดํเมมาเนินไปสความหลุดพ้นให้พากานสนใจปฏิปทาอย่างไรที่พวกเราเคย ป, ปฏิบัติกันมาแต่รับความสุขามสบายภายในใจหรือเป็นไปเพื่อความแก้ไขี่เลศในจิตในใจทั้งคนปฏิปทาส่วนนั้น ไม่ควรพวกเราท่านจะเกิดสงสัยจะเป็นยังไงจะถูกไหมหรือเป็นอย่างไรไม่ควรจะสงสัยถ้าหาจิตใจของพวกเราท่านได้รับความสงบสงบจากการปฏิบัติจะเป็นสสาการ บ, ากาบริกรรมก่อตางการกําหนดลมหายใ จ, นน ก, จก่อตังปฏิปทาส่วนนั้นแล้วว่าถูกกัจจเรศน์ใส่ของพวกเรา ให้ตั้งหน้าต่างตา ป, ปฏิบัติปฏิปทาส่วนนั้นให้มากเข้าหาเราเกิดลังเลสงสัยไม่ตั้งใจประฤปฏิบัติใน ป, ปฏิปทาส่วนเราเจออะไรรับความสงบสงบไได้ยินเลยตังของขันองค์อืน่ยนยึดไปดูดแบบแสนตำรามาทําอย่างนั้นถึงขั้นไหวมัดได้ผลหรือถูก ถนนท้องถางเมื่อเราเกิดความสงสัยลังเลใจไม่คิปฏิบัติไปตามแบบแผนที่เราเคยสงบสงบมาเราจะเสียค่าอย่างน้อยก็เสียเวลาอย่างมนกไปกว่านั้นก็ขาดคุณผลกําไรไปเลยเกิดนนั้เรื่องปฏิปทาหรือเรื่องการปฏิบัติภายในจิตใจของพวกเราค่าน ใครเคยทำความสงบสงัใต้าจากการปฏิบัติอย่างไรควรจะยึดถือปฏิปทาส่วนนั้นปฏิบัติเข้าจนให้ได้รับความสงบสงบจนให้ได้รับมารับผลไตจับปัจจุบันใจทังตนทุกสิ่นทุกส่วนที่เราป็ะพฤตปฏิบัติได้รับผลก็แสดงแล้วว่า เป็นไปจิตอาาที่ดีถ้าเป็นยาก็ถูกกับโรคของเราจะทําให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้แต่เป็นยาที่มีราคาสูงหรืราคาสั่ง ห, หรือราคาไม่ได้ต่ำแต่ถ้าว่าถูกโรคภัยของเราเราควรรับท า, านยาแบนั้นเพื่อให้โรคภครภายในตายของเราหายควรจิตใจของพวกเรา ท, ทันทางหลายเหมือนกันเราจะต่อเพื่อแตีบัด กำหนดลมหายใจหรือการบริกรรมหรือจะเพ่คดูอาการภายในใจของเราส่วนใดส่วนหนึ่งจิตใจของเราเกิดควานตว่างสวยเงียบสงบภายในใจไม่เคยปรุงไปในเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันรู้จักว่าจิตใจของตนเกดบจ่อต่อตั้งในเรื่องกรรมฐานส่วนนั้นเกิดได้รับความรู้ความสว่างที่เคย คิตคล้องในอารมณ์สัญญาต่างๆหรือเคแสบใไปตามสัญญาอารมณ์พอเรารพอพึงปฏิบัติเข้าเชื่อเข้าหรือกำหนดเข้าจิตใจของเราเคยแสบใก็เลยหายไปแต่งบได้กามจงบเบื้องต้นจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะให้พวกเราท่านได้รับศรัทธาคือความเชื่อมั่นในศาสนา ถหากมาเห็นความสงบไปจากในใจิตในใจของตนอเอาเชื่อเลยการจาธิตปฏิบัติวันนี้ก็ไม่ได้ผลวันหน้าก็ไม่ได้ผลเดือนนี้ไม่ได้ผลปีหน้าไม่ได้ผลเมื่อมาเห็นผลชัดเจนในตนคือมาเห็นความสงบสงบปฏิบัติไปอย่างไรจิตใจก็แต่าจอยู่อย่างนั้นมันมีวันมีเวลาที่จะสงบจัดทาที่เชื่อว่ามรรคผลมี ก็าหายหนาหายตาไปเพราะเห็นใดเพราะเราไม่เห็นผลในจมท้องตนคนที่เห็นผลจะกาหนดอะไรทําอะไรลงไปเกิดผลเกิดประโยชน์คือความสงบท้องใจทําให้จิตใจของท่านเหล่านั้นเชื่อมั่นว่ามักผลมีการปฏิบัติตทเทย่งแค่นี้ก็ได้รับผลว่าประโยชน์ได้รับความสงบสงัดมีศรัทธาอยากจะปฏิบัติให้ลุล่วงจากที่เหลุดตันหา แท้จรงว่าสัทธาเป็นของที่สำคัญสัทธาที่จะเกิดได้ขอพ่ออาสัยเห็นผลในการกระทํนท้องคนเชื่อก่อนถ้าหากไม่เห็นผลจะศึกษาไปเท่าไหร่จะปฏิบัติไปเท่าไหร่ใจก็เลื่อรล่อนอย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาจะเชื่อมั่นคนที่เชื่อมั่นเพราะการปฏิบัติเห็นผลเกิดขึ้นกับตนอย่างนั้น ยิ่งเสื่อมันอยากต่อเพืปฏิบัติต่อไปเหตุ น, นั้นพวกเราบางคันบางคนเคยปฏิบัติมาเป็นเวลานานและเห็นผลบ้างเหมือนกันบางคันบางคนก่อนแ ส, สาใจไม่เคยเห็นผลจากการปฏิบัติของตนแต่ใจที่ไม่เห็นผลก็ อ, อย่าไปข้อใจพักเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นกับตน เป็นเรื่องเราคาดเอาไม่ได้ผลจะเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นเองเพราะเรื่องของผลมันเสร็จมขอสําคัญให้เราปฏิบัติมัดของเรามัดเป็นของแต่งได้มัดเป็นของทำได้เราจะบังคับจิตบังคับใจของเราให้อยู่ในปัญญาอารมณ์อะไรจะเพ่งอะไรให้ตั้งใจทำจริงจริงจังจัง เมื่อเราทำทจริงๆริงจงๆลงไปไม่ปล่อยใจไปสังคมกับอารมณ์ต่างๆมันที่นี่พี่อะไรนาคือเอาเชื่อ ว, ว่าอารมณ์ส่วนนี้้างหากเราประพฤติปฏิบัติยังไม่ได้ผลเรื่องที่เลือหรือตัญหาาขามยาดได้อะทิงอื่นหมอกนี้เราไม่ยอมไปเราจะกำหนดํำบทนี้ให้รู้ให้เข้าใจหรือให้สงบสงดกันก่อน เมื่อเราคิดว่าทำบทนี้เป็นสิ่งที่จะนําพาจิตใจของเราให้ตายแนหห่หรือให้ได้รับตามตงสงบสงัดเราปลูกคทถาเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเราอย่างนั้นทุกท่านทุกคนที่ไม่เคยสงบไม่ใคยสงบก็จะสงบสงัดไปคนที่สงบสงัดไปแล้ว <c oughs> เกิดความเสี่ยงความเสียมีหนาถ้มเถื่อไปเหมือนกันเพราะ การเพื่อปฏิบัติในเหมือเป็นตั้งหน้าตั้งตาสาธิตปฏิบัติจริงจังผลได้รับผลรับประโยชน์เชื่อเลี่มยมใสพอใจในการเป็นการเห็นท้งตนแต่เท่ว่าพอใจสงบสงัดลงไปเห็นผลนิดหน่อยเล็ก น, น้อ ย, อยเลยปล่อยวันปล่อยเวลาปล่อยจิตปล่อยใจไปสู่เรื่องอันอื่นเห็นเรื่องอันอื่นทำเรื่องอันอื่น เห็นเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติของใจเมื่อเป็นอย่างนั้นจยุดใจที่เคยได้มามี่อใจท้าทุกการทุกเวลาควราจะหามาเพิ่มเติมไม่หามาฮห้หยุดใจก็เลยหมดไปเสี่ยมคุณภาพไปผลดีสุดไปพูดกับคนอื่นหรือนักปฏิบัติหรือครูอาจารย์ รเราูดของเก่าเสียเราแคยเป็นมาแล้วแต่เท่าไรจิตใจปัจจุบันทุกวันนี้เป็นอย่างไรไม่เคยพูดถึงและไม่เคยทำหนึ่งจะประพฤติปฏิบัติให้ดีเด่นขึ้นไปเปิดนั้นนักปฏิบัติที่ถึงขั้นเหล่านี้ถึงเคเสื่อมไปเสียไปมีจํา น, นวนมากเหมือนกันอย่างพวกเราท่านเคยรู้เคยเนเคยได้ยินเขาพูดกันมาบวชหลายพันาเคยเป็นนักปฏิบัติดีเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไปเสียเลี้ยแลไปเรื่องอื่นเสียนี่เพราะเกิดบุคคลผู้นั้นไม่รักษาเรือทำยังไม่ถึงจิตถึงท่อนแล้วไปปล่อยมือวางมือเสียเมื่อเป็นอย่างนั้นความเสี่อมเสียของคนจึงเกิดขึ้นเผนผู้ดีท่านต่อทีปฏิบัติไม่มีการเสี่มการเจริญตายตัวแล้ว ท่านจะอยู่ในสถานที่ใดไปสถานที่ใดจิตใจคงที่ดีงามนั่นคือท่านประจักษ์ผลนึดพ้นใจจากจาการปฏิบัติเพื่อหวังผลเพราะผลท่านได้เป็นจิตเป็นใจของท่านแล้วไม่มีการเสี่ยงการเจริญการเสียการหายเราท่านทั้งหลายในเป็นอย่างนั้นกําลังตั่งหน้าต่างตาปฏิบัติเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อความ หลุดพ้นของใจทางหาธรรมนิดๆนหน่อยๆเป็นผลเกิดขึ้นจะไปหยุดตังห้าเทีย้ยเห็นเรื่องราอันอืน่นเป็นของสำคัญหรือว่าการปฏิบัติการใดสมัยใดต้องปฏิบัติได้เพราะเราเคยปฏิบัติมาแล้วเห็นผลมาแล้วความจริงเห็นผลมาแล้วก็ต่างแต่เท่ว่าเราปล่อยไปนาน คามเสียหายของจิตของใจอาจร้ายแรงกว่าที่เรายังไม่เคยปฏิบัติเสียเลยก็เป็นได้จิตใจของพวกเราเครียดในเงี้ยคนที่ไม่เคยปฏิบัติทำเสียเลยไม่เคยเขาา้าวัดเข้าวานไม่เคยจำชีมภาวนาอยู่บ้านอยู่ช่องของสนสัญญาลมเอลอยไม่เคยระวังรักษาที่เม็ดปัญหาของบุคคลผู้นั้นยึนเป็นธรรมดาไม่แ่รา้า แรงเหมือนกันกับนักปฏิบัติถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับเสือเสือผิดอยู่ตามป่าธรรมดามันกลัวคนแล้วก็มาไปกล้าที่จะสู่กับมนุษย์เท่าไรแต่ถ้าหากมันไปถูกปืนมีคนไปยิงมันเทียบแต่มันไม่ตายมันเป็นบาดเป็นแผลเขาถือว่าเสือนั้น ร้ายยิ่งกว่าเสือธรรมดาหลายเท่าเว้นคนเท่าก่อนจะตัดเว้นตัดเข้าก่อนจะกินทุกอย่างร้ายขึ้นมาจิตใจของนักปฏิบัติตรมเหมือนกันแต่ชาที่เรายังไม่เคยปฤปฏิบัติอะไรอยู่ในบ้านในท้องจิตใจของพวกเราก็ไม่เคยเพิดเชิญเฮือมในยิ่งเดือดันหาหนักหนาเท่าไรพออยู่พออาศัายใช้ได้พอมาปฤปฏิบัตริรู้เห็น เศษขนนิดนหน่อยๆจิตใจเซยสงบสงบต่อเมื่อเราปล่อยมือไม่ปฏิบัติไปจิตใจมันเสื่อมมันเสียจากผิดจากทำจิตเคยต้องน์ปฏิบัติทีนี้เนี่ยเรื่องจิตใจร้ายกาจที่สุดอะไรติดในควรคิดก่อคิดอะไรติดในควันนึกก่อเนึกอะไรไม่ควรนกำหนัดยินดีก่อกำหนัดยินดีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันกับเสือที่ถูกปืนเขาเรียกว่าเสียใจเสีย ใสเป็นเสือที่ได้บุคคลทั้งหลายรู้จักว่ามันอยู่ในป่าไหนในป้าจะเข้าไปเพราะมันจะกัดเอาจริ้นๆกั น, กนจังทันใดจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ให้ระวังรักษาถ้าจะฆ่าให้า้มันตายอย่าไปทําให้มั น, มนเจ็บมันปวดนิดหน่อไหน่อยถ้ามันจับที่หลังเตือนที่หลังพวกเราทั้งหลายจะได้รับความลําบากยากเย็นแ ต, ปปตแต่เพื่ปฏิบัติแตเหมือเดิมไม่เป็นไม่ไป แต่ต้องตั้งจิตตั้งใจต่อเพื่อปฏิบัติอย่างยิ่งอย่างจรงลงไปถึงจะเกิดจะเห็นจะเป็นขึ้นถ้าหากปฏิบัติเป็นขึ้นนิดหน่อยไปนอนใจป่อยให้มันเสียหายไปเอาอีกะร้ายข่้นอีกเกิดนั้นการต่อเพื่อปฏิบัติของนักปฏิบัติจะต้องตั้งสัตตั้งจริงในจินในใจท่องสนเมื่อได้ผลประโยชน์ที่เราต้องการยังไม่ได้เลยที เราไม่ยอมปล่อยมือจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประฤฏิบัติเป็นสุดยิ้งยของเราเอาชีวิตเข้าสู่เอาชีวิตหากบุคคลผู้ใดนึกคึดเรื่องเหล่านี้การประฏิบัติจะอยู่ในสถานที่ใดกําหนดจุดกําหนดใจกําหนดบทธรรมสอนใจของตนอยู่ำำสม่ําเสมอไม่ปล่อยวันเวลาให้หายไปต่างบุคคลผู้นั้นแหละ จะเอาชนะเรื่องกิเลสปัญหาได้ถ้าปล่อยไปเมื่อมันเสียมันปฏิบัติยากทำเนตคิดของนะปฏิบัติจะคิดขึ้นได้มีปัญญาสอนสอนเป็นของยากถ้าหากคนที่มีอุบายปัญญาพอจะเน้นสอนสอนได้ <c oughs> เมื่อมันเสื่อมลงไปมันหายลงไปก็จะเนตได้ว่าเราทําสางนั้น เราทําอย่างไรและใจเอาความสงบสงัดมาให้เอาความอาัศจรรย์มาให้จกอะไรแต่เราทําเวลานี้ทางเราทาถูกต้องตามสี่ตามความจียงจังก็คงจะเห็นผลเห็นประโยชน์ในการใดสมัยไหนในข้อแค่ออนแอในการประเพื่อปฏิบัติข่องตนตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆ จ, จังจังจะเกิดผลเกิดประโยชน์จากการปฏิบัติศึก เราได้รับความสงบสงะได้รับความสุขความสบายภายในใจของตนหากไม่มีปัญญาสอนตนเห็นว่า ท, ทำมาได้ก็หายไปทํามาได้หายไปเสื่อมไปเสียไปยจิตใจอ่อนจิตใจถอดถอนจากการต่อเพื่อปฏิบัติเข่าใจหรือเมาตัว่เรื่องวาสนาของเรามีเพียงแค่นี้ทํามานานทีแล้วเน่ย ได้ขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยก็เสี่ยงไปเลยไม่มีความพอใจไม่มีความเต็มใจจะประพฤติปฏิบัติทางดีทางดีงดต่อไปเรื่อนี้ผู้ที่เสียไปสึกไปสอบเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ควรที่นี้ไปเจราเอาจริงเอาจังก่อนจะเสียไปเร ไ, ไปทําอย่างไรก่อนจะได้มาเราทําอย่างไร่ ผมมีปัญญาที่นิจทศนาเรื่องเหล่านี้จะเห็นเรื่องความที่เสี่ยมไปและได้มาของนเมื่อเห็นทางเสี่ยมการรักษาที่จะทำมันเสี่ยมมันเสียก็มีทางที่จะรักษาการจะทําให้จิตใจตาวเน่ก็เห็นถนนทางทางอีกเหมือนกันเหตุนั้นพวกเราท่านนักปฏิบัติสมัยปัจจุบัน การปฏิบัตินับว่าด้อยลงไปเนือคนสนใจน้อยลงทุกวันทุกเวลาเพราะไม่เห็นคุณค่าของเรื่องของศาสนา้าเห็นคุณค่าในการต่อตัวปฏิบัติเรื่องศาสนาจริงจังคนจะต้องสนใจและท่านผู้ปฏิบัติก็จะแนนอนใจพูดจะปราศัยอะไร ก็มากอยากจะทักจูงไปในทางทาทางด้วยไหนทางสิตใจสงบสงบหรือทางปฏิบัติเกี่ยวความหลุดพ้นอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นการสนใจของบุคคลทั่วไปสมัยปัจจุบันโลกมันมืนกินธรรมเอาแค้หมดไน่มีบุคคลผู้ใดใายผู้หนึ่งจะสนใจเรื่องของธรรมยิ่งกว่าเรื่องของโลกไม่ว่าตั้งแต่คารวะญาติโยมพระ อยู่ในวัดในวานักปฏิทินปฏิบัติผมไม่อยากจะเป็นใสแบบนั้นเหตุนั้นการปฏิบัติจึงหน้าวันเสื่อมลงไปเสียลงไปถ้าพวกเราผู้เป็นนักปฏิบัติผู้นักพืชศาสนาบวชมาเพื่ออุทิศต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจังไม่ตั้งมัน่นบาปบั่นในการปฏิทินปฏิบัติแล้ว จะทำอย่างไรศาสนาของพวกเราที่เราถือเอาไว้จะเป็นของดีของดีจะมีอายุยืนยงคงอยู่นับวันที่จะเสียไป้าพวกเราตั้งใจอย่างนั้นอย่างไรกันก็ได้บวชเข้ามาอุทิศชีวิตของตนตอบคระศาสนาจริงจังแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทุกวันทุกเวลา ทุกลมหายใจท่องตนความเป็นไปหรือความกล่าว่าของจิตของใจตนเป็นอย่างไรจะแจ่มใสชัดเจนเห็นไปจักในการปฏิบัติของตนเมื่อเห็นผลไปจกักชัดเจนอย่างนั้นพวกเราท่านที่เป็นนักปฏิบัติก็ไม่กลัวว่าศาสนามันจะเสียไปจะเสียไปเพราะเราได้ ผลกำไรจากการปฏิบัติอย่างไรเราก็จะได้มาแนะมาสอนจิตญาณสิตต่อไปหรือคนที่สนใจต่อพระศาสนาเห็นพระเมนอยู่ในวัดในวาตัางหน้าตัางต้งตาปฏิบัติมีความสงบสงัดผัดคล่องจิตใจอะไรเข้าไปศึกษาไปถามท่านท่านแนะนาําคําสอนถูกอัดถูกทำจริงจรงิงจังๆเขาก็จะ เ, จะเชื่อจะเลื่อมใสจะพอใจตปฏิบัติ ตามนักปฏิบัติข้าหาดพวกข้าเมนไม่นน้นใจผู้นำในต่างหนา้าต่างตาภาวนาจริงจังปลอยวันปล่อยคืนให้เสียไปไม่้นใจในการแจกไข่ฝ่ายต่ำที่ฝ่ายที่หลุศาสนา่อนับวันนับเวลาจะเต่าหมอง คุณยังอยู่ก็ไม่มีผู้สนใจเพราะเหตุใดเพราะผู้อยู่ในสถานะลักษณะเจะกะละลานใจต่างๆใน่น่าเหลี่ยมใสในมน่าคาราะไม่น่าฝ่ า, า่าเข้าไปก็บ่นทุกข์บน่นยากบ่นลําบากต่างๆนานาไม่เห็นมีอะไรจิตแปลกแตก ต, ต่างกับคารวเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากเข้าวัดเข้าว่าเข้ามาหาสู่ทูบาอาจารย์ เพระไม่มีธรรมนี้ยังไม่มีอะไรเป็นเสื่อมเสื่อมใจเขาเป็นเสื่อมที่ทำให้เขาจิตอกชอบใจในา ก, กนารตั้งคิดปฏิบัติทางศาสนาหากพวกพระเนนทุกูกทุกองตั้งหน้าตั้งตาตั้งคิปฏิบัติและมีความสงบสงัดรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของธรรมถึงเป็นตั้งคิดปฏิบัติแล้วการแนะนําแก่ใจธรรมะ ใครทุกคนที่เกิดขึ้น ม, มาในโลกจะต้องมีพิเลตประเภทเดียวกันคือมีความโลภความโกรธความหลงอย่างเดียวกันต่างแค่มากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นค่วนความโลภเราเดีที่นี้ที่จะได้นาอย่างไรจิตใจของเราจรึงหายจากความโลภไปความโกรธเราประพฤติปฏิบัติเราเด้๋ที่นี้ที่จะได้นาอย่างไรจิตใจจึงเห็นโกรธ้องความโกรธ จัดเกิดเป็นคนเนจตาแาบนีเราก็จะมีวิธีแนะสอนคนอื่นโวดของความโลภเป็นอย่างนั้นการที่เจรณาอย่างนั้นความโลภจึงถอยหมดไปตกไปความโปวดโวดของมันเป็นอย่างนั้นคนที่ละปวดได้มีความสุขความสบายอย่างนี้อธิบายให้เขาฟังแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะเหตุใดเพราะตนเองเคยประเพื่อปฏิบัติมาอย่างไร ใจแัดเจนอย่างไรและได้แก้ไขอย่างไรเรื่องที่ตัวประพฤปฏิบัติไปเหล่านั้นแหละเป็นยาสาหรับจะแก้ไขบุคคลที่เป็นโรคประเภทเดียวกันแ ห, หายไปได้นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นความโลภความปวดความหลงมีอย่างไรไม่สนใจ น, ใจสนสี่จะส่งเสริมให้โรคมากมายเขาถึงว่าคนดี คนที่มีความโลกภมีความอยากทำโลกให้เทียมเขาชี้ว่อย่างนั้นนี่เป็นเดือดของโลกส่วนเดือดของธรรมความสุขเกิดขึ้นจากการละไม่เกิดขึ้นจากการใดได้มาส่วนโลกเกิดขึ้นจากการได้มาถือว่ามีความสุขความสบายผู้แบดบ ผ, ผู้หามผู้หาผู้หิวชือว่า เป็นของเบาของสบายเรื่องของลกเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องของธรรมผู้จีละผู้จีวางผู้ที่ปล่อยผู้จีถอนจากเรื่องเหล่านั้นถือว่าเป็นความสุขความสบายทั้งผู้ใจ้จายหรืออริยะจ่าทั้งหลายเคยปฏิบัติปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อเราที่จะนั่งเรื่องเหล่านี้จะเห็นชัดเจนในจิตในใจของตนว่าความยึดหน่วนแบกหาม เรื่องต่างๆที่เราถือว่าเป็นของของเราเราแสวงหามายึดมั่นว่าเป็นของดีท่องดีอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อที่เจรจากันจริงจังสิ่งเหล่านั้นที่เราถือว่าเราว่าของของเราจะไม่ให้ทุกแต่บุคคลผู้ไปยึดถือไม่มีนี่ใจจะให้ทุกนี่มากเท่าไรยิ่งทุกใจมากเท่านั้น คนที่ไม่มีเรื่องเหล่านั้นเป็นดับความอยากได้ภายในจิตในใจจริงจมีความสุขจะอยู่ในสถานที่ใดก็มีความสุขพอหมดความอยากนี่เรื่องของความอยากพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็นสมุ ท, ทัยคือเป็นทางเกิดทุกข์ภายในใจของสดาหากบุคคลผู้ใดละความอยากได้ เยื่อใจจะเป็นทุกข์ไม่สู่จะมีเพราะไม่มีความอยากคิดด้ยง่ายสิ่งใดที่เราหมดความอยากหมดความหวงแผ่นหมดความยึดถือเส้นนามู่นอนลายของพวกเราที่เราถ่มออกไปสิ่งออกไปเราไม่มีความหวงแผ่นภายในจิตในใจของเราใครจะมาเยียบมยาย่ําใครจะมาทำอย่างไรไม่เคยมีจิตใจโสดให้เขา เร่เกลียดเขาจิตเขาทำแบบนั้นส่วนริงได้ที่เราห่วงมากห่วงมากสิ่งนั้นแหละจะทําให้เราเกิดทุกข์ใครมาแตะ้องนิดๆหน่อยๆไม่ได้เกิดทุกข์ทุกขางใจขึ้นมีความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดถืออยู่ในจิตในใจเป็นไปอย่างนั้นความจิตใจของเราท่านให้เกิดทุกข์เกลียดนั้นการละการวางการถอดการถอนการคิดนิพพาณาโดยปัญญา เห็นประจักษ์ชัดเจนยึ่งแต่ถอดแตถอนสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าหากไม่เห็นประจักษ์ชัดเจนภายในจิตในใจยึดจะต้องยึดจะต้องห่วงจะต้องหวงต้องแหนสิ่งเหล่านั้นถ้าพิจารณาชัดเจนเห็นประจกักษ์ว่าสิ่งเหล่านั้นห่วงเท่าไรห่วงเท่าไรยิ่งนำภัยด้วยความทุกข์มาให้เราจะถอดถอนจิตใจออกจากส่วนเหล่านั้นได้ ทางคาสิปพระพุทธศาสนาแผ่นจิงหวักปีโตสยเเตโสโคปียโตสยเจเตพยยังความโศกทั่วไปเกิดขึ้นจากใจเสี่รักที่ชอบถ้าหากไม่มีความรักความชอบความโศกเศร้าเสียใจในส่วนนั้นไม่มี ใ, น ใ, น ใ, น ใ, นให้ทั่วไปก็เกิดขึ้นจาก สิ่งที่คนรักคนชอบใจคนติดข้องทางหาในจิตข้องในคชอบใจในยินดีไในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่เคยเกิดเป็นภัยเป็นอันตรายต่ อ, อจิตต่อใจของบุคคลผู้เม็ไปเกี่ยวข้องหรือยึดถือนี่เป็นพาสิตของพระพุทธเจ้าแนะสอนักปฏิบัติส่วนทั้งโลกมาเป็นอย่างนั้น รักใครกันข่ากันไม่ได้รักใครกันไม่มีใัยอันตรายถือกันไปแบบนี้แต่ความจริงรักอยู่ที่ไหนทำเกลียดทางก็เกิด ข, ขึ้นจากที่นั้นจริงๆว่าเป็นไข้สําคัญทําให้โศกเศร้าเสียใจเพราะความรักจ น, นเสืมเสียให้พวกเราท่านที่นิพพยานาดูอะไรทั่วไปซึ่งมีอยู่ในตัวของเราคนดีหรือสิ่งเกี่ยวข้องกับตัวของเรากนดี เราคิดว่าเป็นของของเราเรารักใครเราชอบใจอะไรจะไม่ให้ความโศกแก่เราไม่มีจะไม่เป็นภัยอันตรายในจิตในใจของเราไม่มีอย่างน้อยจะเสียใจแย่งใจเต่าใจเผด็จสุดเพราะทำชอบใจเพราะความรักส่วนอนะไรไม่จริงใดเราละได้เราถอนได้เราไปจากแคบเกินเห็นโปัญญาความจริงเหล่านั้น ไควรจะไปย็ดไปถือย็ดถือแล้วก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรแล้วปล่อยใจสิ่งเหล่านั้นก็คงที่สิ้น้าเสี่ยมมันก็เสี่ยมไปชิ้น้ายจะเรน ม, มันก็จะเรนไปชิ้นชายเสียมันก็เสียไปชิ้น้ายดับมันก็ดับไปแล้วข้าใจทัดเทีนในเรื่องเหล่านั้นไปจกักในตัวของตัวการบริหารส่วนเหล่านั้นแล้วสอบริหารมันอยู่ แต่เท่าว่ามาอยู่ใต้อำนาจของความรักความยึดตัวนนั้นพออาศัยกันไปแข่งแข่งเหมือนกันกับคนข้ามน้ำอาศั ย, รยเรือเมื่อเรือมันรั่วก็พยายามเยียยายไปพอถึงฝั่งแปลไปถึงฝั่งแล้ว เขาจะแบบจะหามเรือไปแบบมันมีคุณมีประโยชน์แกเราไปที่ไห น, นแ บ, บกมันไปถามมันไปมันให้ประโยชน์แกเราล้วข้ามฝั่งได้ก็เพราะอาศัยเรือลำนี้เขาจะทําอย่างนั้นนะเขาคงไม่ทำสําหรับคนดีเขาจะปล่อยทึ้งไม้ข่าวทิศเป็นทิ้นไปด้วยกระถูกเขาเต็มไม้หรืลักต่อไว้ขนาดส่วนท่านผู้รู้ทั่วไปก็เหมือนกันอาศัยขาดขัน เป็นทางต่อเพื่ปฏิบัติเนี่ยธาตุขันผัดข้องก็เยียรารักษากันไปแต่แค่ว่าไม่คิดว่าธาดุขันเป็นตัวข้องขันไม่คิดว่าขันจนธาตุเป็นขันทิ้งขามันแตกมันสลายไปหรือแต่เพืปฏิบัติได้ทิ้งขี่ทิ้นฐานเรื่องธาดุขันท่านรู้จักชัดเกนท่านก็เมตตมาแบกมาหามาอีกฟลอยนั้นขึ้น พอทิ้งฝังจิตหมายปลายทางได้มีพวกเราทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นยังเบลท่าเบลขันยึดหน่วงท่าขันว่าเราว่าของของเราจิตใจจึงเกิดความเศร้าทวามโศกหรือเกิดความยินดีพอใจในเมื่อขาดขันมันเป็นไปตามความต้องการของสนงมันเป็นไปดปแบบนี้เรื่องพระพุทธศาสนาที่เป็นชีว่า กูศึกษาฤทธิ์วิราราว่าจิตรจังยังสังานเรื่องพระโสดาบัน <mente> ก <maybe> ัลละสัตยาทุติยสีติสาีรักษาปรมะได้ไม่ื่อตายว่าตนไม่เชื่อตนว่าตายไม่เชื่อว่าตายนีในตนไม่เือว่าตนนีในตายตลอดทั้งทั้งหาไปอย่างละสีละสีเหมือนกันความ้าใจอย่างนั้น ถ้าหาเกณน์ใจจับชัดเจนอยู่ทุกกันทุกเวลาเข้าใจล่าคนเข้าใจอย่างนั้นจะไม่มีการโกล่เศร้าเสียใจที่ไรยร่ำพันจะไม่หลงไม่เหงไปในอารมณ์สัญญาของกเรื่องราคาตัำหาทั่วไปจะไม่ทับจิตใจทั้ ง, ง, ง, ง่ันนี่คงเห็นเป็นการเ็นเวลาเป็นชาวิเป็นสมัย เมื่อจิตใจรองรวมหรือจิตใจตัดความสงสัยส่วนนั้นส่วนนั้นได้เพื่อปต่จัดชัดเจนเป็นเสื่อระยะเวลานิดหน่อยเข้าใจว่าเรี่งประพัติปฏิบัติธรรมมีความรู้ความสลาดมีความสงบสงัดมีความสุขความสบายตารไม่ใช่เราเราไม่ใช่ตาร เราหนในตายกายนในเราท่าข้าใจธาตุเยนเห็นประจับมีเพียงขณะเดียวต่อ น, นั้นไปที่เหลือจะลุมเหาใจแต่ความเชื่อมั่นของท่านผู้ปฏิบัติจะต้องเชื่อมามันเป็นอย่างนั้นแต่การกําจัดสิ่งแวล้อาคือเรื่องที่เหลือตั้งหาที่แฉะเหาหรือเข้ามาสู่จิตใจ ควาจัดยังไม่ออกเพียงไปเห็นกาจับทั่วขณะเวลาเท่าไรวามเชื่อมั่นจึงผวว่าเป็นพระโสดาภาหาพระโสดาล่ะสัจยาสิกขิในผิวกายของคนกาจับชัดเจนในผิวกายอาเป็นเราในผิวเราอะมีในกายชื่อว่ายมีในเราจริงจังแล้วเวทไสพระโสดา สิมีอยู่ตามสำหรับตำราจึงเป็นผู้สิมีสามีภรรยาไปได้ก็เพราหลงตาอยู่นั่นเองแต่เห็นยังขณะเดียวใจเชื่อมั่นแต่ปฏิบัติไม่ได้อำนาจท้องที่เหลือปัญหายังมีกำลังมากกว่าเรื่องท้องมากเกิดนั้นจึงผักดันพราโสดาให้เกิดมีสามีภรรยาไปได้ถ้าหากเป็นทุกการทุกเวลาท่านผุนละ ผู้ถอดถอนผู้ทำจิตทำใจทัองตนแกนปไปจากษชัดเจนอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกเวลาทุกขณะของจิตแสเรื่องจิตที่ไปเป็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นไปจากอย่างนั้นตายเป็นอะไรจิตเป็นอะไรเขใจชัดเจนเราไม่ใช่ตายตายไม่เช่เราเราไม่มีในตายตายไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนาความสุขความทุก เฉยๆเรใส่เราเราไม่ใส right. ่ใส <c ười agh> ่ทุกๆฤกษ์เฉยๆสัญญาความจําก็ไม่ใส่เราเราก็ไม่ใส่ใส่สัญญาความจําความจําไม่มีในเราเราไม่มีเลยความจําอะไรที่เป็นเราจะเข้าใจชัดเจนทั้งชานวิญญาณหยิอยากว่าขันทั้งห้าเข้าใจขันทั้งห้าชัดเจน ว่าขันทังห้าในใจเราเราในใจขันเราคืออะไรผู้ปฏิบัติยังรู้จักขันห้าชัดเจนเห็นเรื่องขันห้าในใจเราเราในใจขันห้าตามความนิฐานตามนิสิตทังตนถูกพูดเข้าใจว่าความบริสุทธิ์ท่านจะเห็นใสจัด ในท่านผู้ประกอบพิปฏิบัติอย่างนั้นเห็นธาตุเห็นขันในใจเราเราไม่ใช่ธาตุในขันอะไรเป็นเราเข้าใจธาตเกณฑ์เรื่องรูปก่อตางเรื่องทนาสัญญาทั้งฐานยินญาณก่อตามเรื่องเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นของอนิจจังเป็นของอนัตตาของที่ไม่ใช่อนิจจังอนัตตาคืออะไรจะต้องเข้าใจธาตเกณฑ์เรื่อง เรื่อปัญหาที่เกิดขึ้นหรือนู่อยู่อารมณ์ทัานยาที่เราเสวยกันอยู่มันมีมาจากที่ไหนถ้าหากไม่ยึดส่วนนี้ไม่ถือส่วนนี้ว่าเป็นของของเราหรือเราไม่ใช่ส่วนนี้อะไรเป็นเราคอยใจชัดเจนคนนั้นตามหลักนิทานจะคอยใจว่ า, าเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้ถึงยิ้มมั สมมติทั่วไปจะเข้าถึงได้เพราะตั้งแต่เพียงขันห้าเท่านั้นส่วนท่านผู้ที่พ้นไปจากชันห้าอะไราโรคจะเข้าไปถึงถานเพราะมันไม่ติดต่อกันเรื่องธาตุขันเรื่องของสมมุติเรื่องผู้มารู้ธาตุขันจะต้องเป็นมีมุตความรู้ทั่วไปจะมาทำ จิตทาใจให้เศ้าหมองขุ่นมัวด้วยดีใจเจียใจต่างๆนานาเพราะเรื่องธาตุขันท่้งนั้นเรื่องจิตใจยังเกียรอยู่กับธาตุขันถ้าจิตใจในเกียรกับธาตุเจ้าขันไม่เว้นธาตุเห็นขันจนๆไม่เห็นตนเป็นธาตุเป็นขันไม่เว้นธาตุเห็นขันเป็นของของตนด้วยมอยู่ในตนไม่เห็นตนมีอยู่ในธาตุในขันมันจะต้องพ้นไปได้ใมจีบสมุดไม่คล้องในสมุด มีพวกเราทั้งหลายที่เคยถานสาหรับตำราใคยอ่านมาหรือเคยได้ยินมาการปฏิบัติอย่างนี้หรือความเห็นมกจากชารกเตียนอย่างนี้ยังไม่มีในพวกเราเหตุ น, นั้นการที่ว่าขาดขันเพราะว่าการสัญญาอารมณ์จี่เคยได้อ่านมาหรือเคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ขาดขันจริงจังคืออะไรความสมมติว่าขาดว่าขันแตคํา ที่่าดิมุตเป็นอย่างไรเราไม่กระจักในใจเหตุนั้นอาตติวิยาธาติกต่างๆของนักปฏิบัติผูกปกติปฏิบัติไปถึงผี่สุดดิมุตไม่ทันท่านจึงไมไ่ได้ระวังรักษาลอยใจตามธรรมดานเพราะท่านไม่มีเขืยงนยึดหรืออะไรติดตามไปถึงความบริสุทธิ์ของท่านไม่ได้ตัดสะพานกันโลกกับความบริสุทธิ์อยู่คนละฝั่ง เขา้าหมายถึงกันอากาศจินตยาขาทีต่างๆจึงเป็นของธรรมดาไม่เป็นของจิตควรจะละมันก็ละไม่ได้จะถ อ, อนมันก็ถ อ, อ, อนไม่ถ อ, อนไม่ได้ขาดขันไม่ใช่ที่เหล็กที่เหล็กไม่ใส่ภาดไม่ใส่ขันแต่อาศัยกันอยู่นั้นนเราแจกยังไมออกเราแบ่งยังไมออกถ้าหาเป็น เพเป็นซอยก็ยังเกียร์อยู่โดยเห็นด้วยกวดเกร์ในเราไม่ได้แต่เกร์ในได้เพชรเป็นอย่างซอยเป็นอย่างหิกวดอีกเป็อย่างไม่ใช่อันเดียวกันมีจิตใจของท่านผู้เป็นมิมุตก็ท่านนองเดียวกันไม่มีการมีเวลาว่ามันเศร้ามันใสว่ามันได้มันเสียว่ามันไปมันมาไม่มีการมีเวลาจะระวังรักษาว่าอย่างมันเสื่อมอย่างนั้นมันเสียอย่างนี้ เสื่อมการเสื่อมการเสียการได้การมีต่างๆเป็นเรื่องจิตที่ยังเกลียกันอยู่การขาดการขาดเหตุนั้นการที่นิ้ิี่เจริมาเรื่องขาดคั่นให้ยอดทายภายในจิตในใจจนเห็นความบริสุทธิ์ของใจที่พ้นไปจากขาดคั่นจึงเป็นของสําคัญที่พวกเราขันนักปฏิบัติจะฝึกหัดอบรมด้วยที่นิ้ที่เจริญมา ให้ไปจับภาพเกณนในตนของตนจะเห็นความหลุดพ้นเป็นอย่างไรในต้องไปถามใครไปจากในใจของตนเพราะอย่างตนเป็นผู้รับประทานความอื่นไม่ต้องไปถามคนอืน่นจะต้องรู้ขึ้นจากการรับประทานของตนว่าผลความอื่นเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามใครถึงอาหารจะมามาตายกองสับเท่าไรเมื่ออื่ม ในตัวแล้วอาหารเหล่านั้นไม่เป็นปัญหาไม่เสียดายใครจะเอาไปซื้อไปขายไปซิ้อไปเทที่ไหนในมีการเสียใจมีการปฏริเสธปฏิบัติของนักปฏิบัติทั่วไปขัวให้เป็นทํานองเดียวกันแต่จากภัพเงินในท่านผู้ปฏิเสธปฏิบัติเป็นสันทิฏฐิโกหรือปฏิจจังในความบริสุทธิ์ของท่านเรื่องภาพเขันมันจะแตกจะถลายหรือมันจะเป็นไปอย่างไร ไม่มีการเสียอกเสียใจไม่มีการยินดีพอเรื่องขาดขันเป็นอย่างสมมุติอันหนึ่งอย่างที่มุดเป็นอย่างไรท่านอยใจทาดเกณแล้วพบหน้าชาดหน้าปัจจุบันของขันเป็นอย่างไรจิดในอะไรท้องในอะไรท่านเข้าใจพบหน้าชาดหน้าจะบอกไปถูกทําไมเรื่องท้องจิตทองใจจิ่บริสุทธิ์ จะมีพจนิชาติอีกต่อไปหรือไม่เพราะใจปัจจุบันของท่านท่านมองดูอยู่ท่านเห็นอยู่ท่านรู้อยู่ว่าจุดในอะไรพจนิชาจะมีไหมทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นมิมุตความหลุดของใจท่านไปจากอยู่แล้วท่านจะไปสงสัยอะไรจะไปเพื่อปฏิบัติมีอายุยืนยงคงอยู่หมืน่นปีแสนปีความดีเด่น จะยึดเสีะแต่เสถียรั้นมีไหมความปรารถนาข้องใจของผู้ประกอบพิธีบัติที่ถึงดีมุดมีการปรารถนาอะไรอีกคงไม่มีเพราะความหลุดพ้นอย่างทุกท่านที่ประกอบพิธีบัติเมื่อประสบผลจะต้องซ่าซักในจิตท้องตนว่าไมนมีอะไรที่น่าปรารถนาที่น่าตื่ใจที่น่ายินดี ยิ่งกว่านั้นเป็นความสุขที่เหมาะสมเป็นความสุขที่ไม่เฉืจางเป็นความสุขที่เพียงพอรบริบูรณ์จะหาอะไรมาเพิ่มอีกไม่มีความสุขส่วนนี้เป็นความสุขสงบอยู่ทุกการทุกเวลาสมกับภาสิกิวานัสสิสังสิสพลังสุขสุ ข, สขอื่นยิ่งกว่าความสงบในนี้ ความสงบของจิตของใจที่เกียเ่ยวไปเดือดขาดเดือขันเป็นอยา่างเพช่นความสุขความสงบที่พ้นไปจากขาดขันจิตทาล่าว่ะนักจิตนักจิตเป็ น, นไปอีกอยาก่างเราเคยต้องเพื่อปฏิบัติอย่างสงบสันตจากที่เดือดตันหาในเวลาที่จิตของเราเข้าไปสงบภายใน เคตัดสินใจหรือไม่ไปจากในใจเ่าความสงบส่วนนี้เป็นความสงบจากที่เรื่อยขวไปความสงบส่วนนี้เป็นความสงบ ท, ที่หลุดพ้นไม่เคยเชื่อในตนมาตนหลุดพ้นไม่เคยเชื่อในตนว่าสงบสงัจากที่เลืดอจริงจังเพีงยงจต่สงบขอ ง, ของจิตของใจที่เื่อยปรุงไปตามสัญญาอารมณ์หรือขาดจากสัญญาอารมณ์ขวักดการขวักดเวลา แตบความสงบที่ขาดไปจากที่เดือดปัญหาที่เป็นความหลุดพ้นเป็นอย่างไรเข้าใจก็จักนักปฏิบัติจะต้องเห็นผลในการปฏิบัติของตนเป็อย่าง น, น, นี้ใช่ว่าสงบนิดหน่อยแล้วก็นี่าเป็นข้องหยุขดข้องดีดีเสร็จแล้วแต่ที่เดือดปัญหานี่อยู่ในจิตในใจเป็นอย่างไรใ่คนก้างหรือที่ไม่พิจารณาหรือไม่ ในแค่ดนที่นิดที่แค่น่ะการสงบไม่ใช่สงบสักทีเพียงสงบลงไปนิดหน่อยเท่านั้นก็เกิดความปลื้มใจดีใจเหมือนคนจนพบล่าลำรวยสิ่นิดนิดหน่อยหน่อยกว่าตัวรวยใหญ่แล้่องนึกควนขายอะไรคนที่สุดทช้ยล่อยไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็หมด